ทำกันนะชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้บอกคิดบอกถูกควนเกิดขึ้นจากทางกายทางใจนี้มันก็เหมือนกับปล่อยกันทิ้งไม่มีประโยชน์การอยู่ร่วมกันในโลกนี้แล้เราก็เกิดมาท่วงโลก เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันขอให้เราทำหน้าที่เรื่องนี้ตามไรทำหน้าที่เรื่องนี้ไม่ได้บอกผิดบอกถูกตอนเกิดจากกายจัดใจต่อกันแล้วก็ถือว่าบกพ้องที่สุดไม่คุ้มค่ายิ่งพวกเราเป็นนักบวช มีจตนาร่วงกันมีมุนส่วนล่วงกันแตยิ่งจำเป็นในจิงที่บอกผิดบอกถูกก็มีคำสอนที่เป็นองศาสดาได้สอนไว้ไม่ต้องไปค้นข้อหาที่ใดแล้วก็ เกิดมนไหวพระในสารทยาย่คำสอนทุกเจ้าทุกกศปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรคืออย่างไรตรงนี้พระพุทิเจ้าพอถามพระสง์คืออะไร ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่ต่อเนื่องด้วยกันกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีแต่สิ่งนี้ไม่ ม, ส ม, มีสิ่งนี้ก็ไม่มีที่ว่าปฏิจจสมุปบาท แล้วก็ปฏิบัติในตัวสิ่งที่ดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรมันมีความดีความไม่ดีความผิดความไม่ผิดสิ่งที่ทำํทำทาผิดมันก็เป็นทุกข์จึงบอกสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ไม่ผิดจป็ความทุกไม่ถูกต้องควมไม่ทุกข์มันถูกต้อง ความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธมันถูกต้องสินี้มีจิ่งนี้จึงมีจึงแก้จึงเปลี่ยนแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีคือเวลามันหลงได้เปลี่ยนเป็นไม่หลงหรือว่าปฏิบัติดีเวลามันทุกข์ได้เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์หรือว่าปฏิบัติดีอยู่ที่เดียวตรงที่เดียว ยืนหยัดอยู่อย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับความกับใจเมื่ อ, อไรก็เปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกโอกาสทุกครั้งอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติตงไม่โอนื่นมาแฉ้วันหลงก็แจะหลงเป็นลู่ไม่หลงนั่นตรงอยู่ด้วยกันอย่างนี้ ปฏิบัติออกจากทุกเวลาหมดทุกก็เปลี่ยนความทุกเป็นไม่ทุกได้เปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติเป็นสถาบันอย่างนี้เป็นสถาบันคือมั่นคงแน่นหนาพมที่จะลู่ลออยู่นี่การลู่ลอบสิที่มันผิดสิที่ไม่ผิด ดิวาสถาบันยืนหยัดอยู่อย่างนี้เรียกว่าบุคคลแปดจำพวกผู้ใดทำอย่างนี้โสดาปฏิมากโสดาปฏิผลสติทาคามิมักสติคาคามีผลอนาคาคามีมากอนาคามีผลอรหันต์มกักอรหันต์ผล4ี่คู่นี้ดว้วยแปดบุรุษ เปรบุรุคืก็ใายอู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบาันอย่างนี้เดียวว่าสังฆาคือกันเดียวกันจะเป็นคนคนเดียวกันคือหมู่คันะเดี๋ยวว่าจารนาคือคนเป็นคนดี ศาสนาคือคนเป็นคนดีไม่มีทุกข์เพราะปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติออกจากทุกข์คนไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาศาสนาก็คือเจริญการมีจติที่จะต้องเป็นอุปกรณ์การเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นเรื่องดีนี่ต้องประกอบขึ้นมา เรามีกามีใจใจนี่ก็เหมือนมันก็เป็นจิตตั้งหนึ่งเราพูดง่ายๆว่าใจคือใ จ, ใจิตใจมันมีใ จ, ใจิตใจมันคิโดโน่นคิดนี้มันล้าเป็นสุขเป็นทุกข์มันคิดไหลไปไวไม่ทันมันนั่งอยู่นี่อยู่วัดป่าจุกตัวนี่มันคิดไปถึงไหน แบบเดี๋ยวไปถึงที่อื่นแล้วบังเคยท่องเที่ยวมาเป็นทางของมันเราใช้มันเที่ยวมาตลอดเด่ไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้กลับบ้านไปกันเลยยนเปจริตนิสยัยน่ายที่จะหลงง่ายที่จะคิดไม่รู้จักตัวเลยไม่มีสติ เราจะมาฝึกสติเพื่อมันทันความคิดที่มันไปไวๆเนี่ยต้องฝึกขาดตรงนี้ต้องฝึกขาดถ้าไม่ฝึกขัดสติมันจะไม่ไวจึงมีวิธีฝึกขัดที่ว่ากรร ม, มาฐานให้มันอยู่ที่เดียวลองดูลมหอยจอยก็ได้การคู่ แขนเข้าอย่าฉันออกให้มันรูอยู่นี่เดี๋ยววากายมีจะตีประเดกายให้มันรูอยู่นี่มันจะได้เห็นความคิดเดี๋มันเกิดขึ้นมาป๊อ บ, บอย่าได้รูปป๊อ บ, บอย่างนี้มันพร้อมที่จะรูอยู่นี่เตไม่เฝึกขัดเป็นที่ตั้งเอาไว้มันจะไม่รูจะอะไรเลยไปที่ไหนละจะเป็น จุกเป็นทุกขเป่ากองจุกกองทุกเป็นตัวเป็นตนไปเลยก็เพื่อนไปเลยไปรู้ต้นตตเพราะจิงนี่มีจิงนี้ยิงไม่มีชื่อว่าธรรมะจึงละผึกหัดการจะเห็นเ่ามีการจริงจริงต่างว้ให้รูดจิตตัวก็รู้ได้ เอากายไปตอกับความรู้ไปความรู้มาตอกับกายหรือว่ารู้มีติตเป็นที่ตั้งไปในกายมันจะเป็นอนเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่เป็ น, นเดียวกันไม่อยากคิดมันก็คิดกายนั่งอยู่นี่จิตมันคิดไปทางอื่น เดิเป็นสมุทัยสังขารปุ้งแต่งไปเกิดจากความคิดเป็นตัวกลรรมตัวกลรรมเป็นจมเลยหมอเลขหนึ่งคือความคิดทำไมจึงคิดว่าไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะว่ามีสติทำไมไม่มีสติเพราะไม่เคยฝึกชีวิตเรา หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีอาจจะไม่เคยได้ฝึ ก, กจิตใจสักปีเดียวเลยนอกจากนอนใช่อย่างอื่นใช้กายใช้ชีวิตไปอย่างอื่นกินนอนทเที่ยวเตเล่นร่อนยี่สิบสามสิบปีไปน้่นจิตนอนเฉยๆเนี่ยเที่ยวเล่น เ, เล่ น, นอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดแปดปี ตามที่เขาสถิติกาโดดดูชีวิตของสัตว์โลกคือคนเหล่านี้แต่งตัวเจ็ดปีนั่งบนรถอยู่เจ็ดปีอะไรหลายอย่างเขาหมดไปแล้วเจ็ดแปดสิบปีเนี่ยแต่การฝกิจนี่ไม่มีปีเดียวก็ไม่ได้เลยก็เลยพลาด เกิดมานี่ไม่เคยได้ฝึ ก, ก จ, จิตใจก็ไม่ได้ใช่ จ, จิตใจนี่แต่มันใช่เราเมื่อมันใช่เราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์พึ่งไม่ได้ไวอยากคิดนั้งก็คิดหยุดความคิดก็ไม่เป็นอย่างนี้ก็มีใจเขามาได้พึ่งใจ ใจนี่ถ้าฝึกขัน้มันเป็นสวรรค์นิพพานเป็นมรรคเป็นอุนเหมือก่อนเกิดเจ็เจ็บตายถ้าเราไม่ฝึกเกิดใจนี่แหละจะเป็นตัวก่อมหนักบ่ให้แก็ให้เจ็บให้ตายไ อ, อ้เกิดโกรธโลกหลงเกลีดพันห้าตัหนารอร 15, ายแปดหนักเป็นภาละหนักยืดโน่นยืดนี่ บางทีก็ยืดเดิมความทุกข์ว่าเป็นตัวเป็นตนยืดดิมความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนตามตามความทุกข์ตามามความโกรธเสียผู้เสียคนเวียดเบียนตนเด้งเบียดเบียนคนอื่นมามากจัตว์เนวัตถุอื่นมามากแล้วทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมามากก็มีเพราะ ปิดใจเนี่ยไม่เคยได้ฝึกหัดง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธก็าได้โกรธได้หลงเลยโทรศาพทาไล่าการกแสดงออกยับยั้งไม่ได้ล้วจึงมาฝึกหัดกันหนึ่งวันสองวันให้มีสติีิไปในกายเป็นประจำ ต่อพระพุทธเจ้าฝ well. ูงหัดพระภูติเจ้าฝูงหัดอย่างนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะสิทธะฝูงหัดอางนี้จึงไปเป็นพระพุทธเจ้ามีสติดูคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกคู่แขนเข้ารู้จุดตัวเหยียดแขนหนอกดูจุดตัว นี่เราก็เอามาทับกรอบจริงๆมก็รู้จริงๆรู้อย่างนี้ลู้ออเองไม่มีใครที่บอกว่ารู้หรือไม่รู้เปื้มือเรายกมือตะแกงขึ้นมัก็รู้ยกมานี่มันก็รู้ต้องใบก็รู้ข้อหมายก็รู้ตัวเองตัวรู้เองไม่ต้องถามใคร แล้มันไม่รู้ก็สร้างให้เกิดความลู้ขึ้นมาได้เปลี่ยนความไม่รู้ให้เป็นความรู้เราเคลื่อนไหวฟรีๆมรนานแล้วเดินฟรีๆคิดฟรีๆมานานแล้ ว, านานลวบัด น, นี้มาสอนมันดูยเว่าจะได้ประโยชน์ว่าจะได้เกิดคุณงามความดีขึ้นมามีคุณค่าขึ้นมามีกายขอทําความดี มากมายมีจิตใจก็คิดดีมากมายวิวาจาก็พูดแต่สิ่งที่ถูกต้องมากมายต่อกันและกันได้ทำดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ใ้โลกนี้มีจิ่งที่อาศัยความดีเกิดจากกายจากใจจากตัวเรานี่ ไม่น้อยในโลกนี้ถ้าเราไม่หัดมันก็มีแต่คำเดือดร้อนปิดยาเสพติดกินเล้าสุบุรีเบียดเบียนตนเองบีดเบียนคนอื่นถ้าเราทำไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าทำดีก็เป็นประโยชน์วายของคนนี่ใจของคนนี่ เนี่ยเราก็เป็นชัดสังคมอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายเป็นสังคมเป็นตระกูลเราก็เอาความดีไปทําต่อกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น อาจจะเป็นสังคมหลีบบุคคลขึ้นมาครอบคอรัวตระกูลหลีบบุคคลเจ้าพระเจ้าเลยต่อแตไ่ไหวสอนเอาไหว้ตระกูลที่เป็นเจ้ขามีในโลกนี้พิจูเข้าไปขอตระกูลที่เป็นเจ้ขาบุคคลไม่ได้ไม่ขอกรให้อยู่แล้ว เจคาบุคอเจขาบุคเบคเนี่ยคือคนที่ศึกษาจบแล้วมันมีทุพิโทษต้องพ่อต้องแม่ทั้งพี่น้องลูกหลานมันก็เป็นประโยชน์มีในโลกนี้แต่คนที่เป็นอเจคาบุคคลไม่ทำบาปทำกรรมอะไรเลยทำแต่ความดี ถ้าเราเกก็เป็นประโยชน์เพื่อกลุ่เป็นตระกูลเป็นเชื่อเป็นสายบายดังที่พุทธประวัติอนุพุทธประวัติพุทธานุพุทธประวัติกล่าวถึงบุคคลต่างๆในโลกนี้แล้วก็เราก็ยังเห็นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่กัวจอนผู้สั่งสอน เกิดมาก่อนเราโดยคนคั้วจะศึกษาเช่นเราจวดมนต์ไว้พราคาสวดไหว้พ้ากับสวดมนต์นี้เป็นภาษาบาลีแล้วมีผู้เล่าเรียนศึกษาบาลีมาแปลเป็นภาษาไทยไปแปลบาลีเป็นภาษาไทยหาเลือกเอากจุดใหนพระไตรปิดก พระสูตรพระปิทธรรมพระเวนนยหาเลือกเอาดีๆมาเป็นบทสวนมนต์ตอนเช้าตอนเย็นกวจะได้เลือกพบเลือกเ็นอันใดอันหนึ่งมาล้อยกองขึ้นเป็นหนังสือเป็นเล่มๆ ม, มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรืยว่าบุพการีบุคคล ที่ทำความดีไว้ไมามาก่อนเรามีอยู่ในโลกนี้ไม่ผิดแน่นอนอย่างบทสวดบทวิเชษบังบทสอลเ้เสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณเรื่องพุณเจ้าเรื่องพระธรรมเรื่องหมู่สงเรื่องพุทธบริจัมีแต่จริงถูกๆ เห็นด้วยจะไปสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารไม่ใช่ตัวตนไปถือเอาความไม่เที่ยงก็พาเป็นทุกข์ได้ไปถือเอาความเป็ทุกข์ก็พาเป็นทุกข์ไปถือเอาความไม่ใช่ตัวตนก็พาเป็นทุกข์ผู้ใดเห็นของจริงๆอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์ ก็บอกอย่างนี้จิได้ไม่เที่ยงจิงได้เป็นทุกข์จิตได้เป็นทุกข์ไม่ใช่ควรไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เราก็อาจจะจดเล่นแต่ติ ด, ด, ด, ด, ดปากไปก็ได้เราไม่ได้ใจใจญ่แต่ไม่ลึกซึ้งทตไม่แยบคอยให้สัมผัสได้ฝึกหัดไปด้วยเห็นด้วยจดไปบวใดก็เห็นด้วย เวลาได้เกิดความวุ่นวยเขึ้นมาก็มีปัญญาสะรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก่อนโราปัญหาเป็นปัญหาแับ น, นี้ยอาปัญหาเป็นปัญญาได้อันศึกษามาก็รู้แจ้งได้ตามความเป็นจริงเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างนี้จึงมีสตติเป็นหน้าโลก ดูกายดูใจืูอมีสติปัญญารอบแล้วปริวาสปริวาสคือแก้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ไม่แก้ไม่มีปริวาตดูรอบกายใจนี่แต่จะเป็นกรรมได้ต้องอบบัดได้การต้องอาบัดก็คือการ ผิดทางกิตใจเป็นนิสัยเป็นเลยหลาค่าจริตโทศสตรส์ตรจริตโมหจริตแม่ไปเปริวตัติไปทำพิธีมันก็ไม่หยุดยังเป็นกรรมอยู่ถ้าไม่แก้ไม่เปลี่ยนกรรามฐานาในปริวาติที่สุดไม่มีอะไรเข้าถึงความผิดความถูกจากนอกจากจตใได้ไมิเต่จตใเท่านั้น ไม่ใช่วิธีกรรมปฏิบัติเท่านั้นเรามันหลงไม่หลงรู้ขึ้นมาเนี่ยปฏิบัติลงไปเรามันทุกขไม่ทุกขเรามันคิดไม่หลงไปในความคิดนี่แหละปริวาตได้สอนจิตได้สอนจิตมันก็จะไม่มีกรรมขึ้นมาไม่เป็นอันบัตรไม่คิดก็อาย ปฏิวาติทาเรายัางคิดไม่ได้เข้าถึงจริงๆเพราว่าเราไปเข้าปฏิวาติก็ไปดูก็ได้เป็นศาสนาพิธีไม่ใช่ศาสนาธรรมศาสนาธรรมต้องสัมผัสเอาอย่างนี้ศาสนาพิธีเป็นเปลือกมันเข้าเปลือกมันกินไม่ได้ เราคงเป็นข้าวสอนข้าสุกทั้วสาศาสนาธรรมความผัดความหลงความไม่หลง้ดยความไม่หลงจากความหลงอยา่างนี้ได้เข้าสาอนจากเข้าเปือกอยาก่างนี้ได้เป็นเข้าสุกได้เปลี่ยนความหลงไปไม่หลงเปลี่ยนได้แล้วเป็นเข้าสุกแล้วกินแล้วเป็นของเราแล้วไม่ทุกข์แล้วไม่เดือดร้อนแล้ว หลุดพ้นแล้วปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วอย่างนี่ยเดียวปฏิวัตินี่แหละปฏิวัติการปฏิบัติเนี่นได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนี่ตัวตัวจริงเนี่ยของจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามคาใครไว้ทําวันเดือนต้องถามคนเดือนให้คนอื่นช่วยมันเป็นเปไม่ได้ สัจธรรมต้องช่วยตัวเองถ้าสอนให้คนอื่นช่วยหรือใครสอนไปพึ่งคนอื่นจึงนั้นนี่ว่าไม่ใช่สัจธรรมกูว่าจะการสอนให้สอนให้พึ่งตนเองแก้เอาเองกูเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนการการะทำเป็นหน้าที่ของพวกเธอ อย่างนี้พระเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ได้ช่วยใครไม่ได้สอนให้ตัวเขาช่วยตัวเขาเวลามันหลงต้องเปลี่ยนเองไม่หลงเรลามันโกรต้องเปลี่ยนไม่โกรธเวลามันทุกข์ต้องเปลี่ยนไม่ทุกข์เลยต้องช่วยตัวอย่างนี้เป็นบุญแต่ช่วยกายช่วยใจให้จากผิดมาเป็นไม่ผิดนี่เป็นบุญเกิดขึ้น เป็นกุศลเกิดขึ้นจลาดขึ้นเป็นมากเป็นขนเกิดขึ้นมาี่วากรรมฐานเนี่ยมันสักจิตเปจริงเข้าโลกที่สุดเลยมันถึงจิตถึงใจจริงๆได้เปลี่ยนกับมือเห็นกับตาตามกับกายกับใจกับบาจาเนี่ยสมผัสเอาอย่างนี้ รู้จักตัวกับความเคลื่อนไหวรู้จักตัวกับใจที่มันคิดยืนหยัดอย่างนี้มาแล้วจะมาก็มาเราอยู่ในไข่ในป้อมในยอมหวนนักลุกที่อยู่ในป้อมปาการข้าสึกบาก็ป่าปเาป่าปา่าเป่างันรบบรลอบอย่างนี้ ป่อมบาการมันเจติวัฏฐานเป็นป้อมบาการ์ไม่มีเจติเป็ น, ปาานปหน้าโลกมาตั้งใดก็เห็นมาทางกายก็เห็นมาทางความคิดก็เห็นมาทางตาก็เห็นมาตา้งหูจมูกได้เหนกายใจเห็นหมดมีเจติเป็นหน้าโลกจนเนี้ยวันจะจานาญมากขึ้นจี่แรกก็อาจจะง่ายที่จะหลงต่อไปก็ง่ายที่จะไม่หลง ตัหัดมันเป็นไปได้ไม่ว่าหัดอรตัวผู้หัดช้างผูงหัดสัตว์เขาก็เปลี่ยนเขาก็หัดอย่างนี้มันก็ใช้งานได้ชีวิตเราเท้เนี่เรามาจะหัดไม่ได้มันเป็นสัต์ประเสริฐเป็นมนุษย์เกิดได้ผลฝระทันได้สอนได้จำได้ อย่ า, อ, าอืว่าอืว่าอ้างอ้างว่าหนุ่มอา้ามาแก่ไม่ได้นี่ยอ้างว่าไม่บวชวางเป็นฆราวาสญาณยมไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นได้ทุกคนไปหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเปลี่ยนได้ไม่ไม่นี่มีเพศไม่มีลัทธินี่กายอันใดอยู่ที่การกระทำของคนนี่คือของจริงอันเดียวกันนี่ คนในโลกนี้มีกายมีใจเหมือนกันหมดเกิดใจจะตายเหมือนกันหนาวเหมือนกันร้อนเหมือนกันหิวเหมือนกันเจ็บปวดเหมือนกันความปวดเกิดขึ้ใจเหมือนกันความร้อนความหนาวเกิดขึ้นในกายเหมือนกันเป็นคนคนเดียวกันแก้ตรงเดียวกัน มาแจ่งตรงเดียวกันอันเดียวกันก็เป็นคนคนเดียวก็วเลยไม่มีใครเบียดเบียกนกันเห็นดูกันใจเพื่อนกันแจกจะตายด้วยกันอย่างนี้มันจึงพอใจมากชากรรมฐานนี่ได้ทาํางานเรื่องนี้ได้บอกเรื่องนี้ได้ผููเจอคนหรือว่าได้ทําหน้าที่ สนขวยายเพื่อให้คนได้ปฏิบัติอย่างดีจัดที่วีที่หยัวใส่บ้างพึ่งพาเสด็ได้ว่างอาหารการกินตามปัะภาพแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรบอกผิดบอกถูกต่อกันเช่นนี้ไม่ได้หลอกด้วยหลวงขายจะหลง ก็เปลี่ยนไปหลงได้เราเคยหลงเหมือนท่านจิตที่น่านหลงเราไม่หลงเราเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วรู้แล้วแจ้งแล้วอย่างนี้มีอยู่จริงทิ่ที่เราทุกคนอื่นไม่ทุกมีอยู่แต่มาจะบอกกันไม่ได้ไมันทำได้อยู่เนี่ยแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างนี้ มัวมาทมาวิธีหลายๆอย่างบางทีก็บางนี่กายบางทีก็บริกรมศาสนาบางศาสนาก็ บ, บริกรมอ้เจ้ล้างก็เรียกขาปาล้ออันละลอล อ, ล อ, ลอันลลอว่าเดนเสียข้างห้าขุนทำมาชิจิต่าง วันที่ก็สวดมนตบริกรรมน่ใจโอ้มีตัวโพวิตัวโตัวโพวันละแปดรอยเที่ยวทันทีเบสเนี่ยกระเฮิมทั้งวันเลยละ่ะการสวดพริกรรมเก่วถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยของเราก็จะตีเดีวพุทโตพุทโตสริรุ่เรลอง เขาสัมผัสเขาไปเลยรู้จักตัวลู้สึกตัวเดียวเรียกว่าเป็นภาวนาขยันลูม้มากๆปกปังปังม า, ม า, มาเขากรรมฐานตามรูปแบบที่สอนกันอยู่นี่สิบสี่จังหวะนี่ทุกวินาทีลู่ได้ทุกวินาทีเพื่อนเมื่อคู่ยันเขาเหยขียขันลู้จักตัวอย่างนี วินาทีละครั้งละครั้งลู้ทุกวินาทีลู้ทุกวินาทีมันโค้จะเพียงพอเล่งได้ไไวๆอาจจะไม่ถึงเวันด้วยก็มีนะหวังคนถ้าใส่ใจจริงๆอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จะขอนวิ่งทำจริงๆไปทำแบบเล่น ทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆทำเ ล, เล่นๆก็ได้ผลไม่จริงอยู่ที่การกระทำของแต่ละโคนก็พูดกระสู้กันฟ้องย่อมเตือนกันอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้พูดได้สอนจากเงินดอกเรื่องเก่าว่มันผิดเรื่องเก่าอันหลงกันเก่ายังฟัง ก, กันหลง ทุกอนเก่าคือทุกคนยังฟักันทุกอย่งมาพูดถึงเรื่องนี้ลำดีลำไรอยู่จนนี้ต้องใส่กุญแจแค่สวมหลุดไปซ้าเนี่ยจะได้อิสระอิสระภาพมิตรภาพมาจะฐานของชีวิตเราหรือรการกระเจยงเตายในโลกในปัจจุบันนี่ทุกคนเกอ